จตุกตถปัญนาตนันทิกะขยะวัตหมดว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเห็นอายตนะภายในคือจกักขุโสตขานะชิวหากายและมโนเห็นอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรส โพธิภพและธรรมารมณ์ภิกษุเห็นจักขุ่เห็นรูปเป็นต้นนั้นที่ไม่เที่ยงนั้นแล ว, ว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเมื่อเห็นชอบก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสินาาส้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลิน พอสินทั้งความเพลิดเพลินและราคาเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมณสิการอายตนะภายในคือจักขู่เป็นต้นและอายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นนั้นโดยแยกทายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักขู่และรูปเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง เมื่อมนนาซิการโดยแยกายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงย่อมเบื่อในแม้ในจกักขู่ในรูปเป็นต้นนั้นเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว ว่าด้วยการเจริญสมาธิในชีวก ร, รมพวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณชีวกรรมพวันเขตกรุงราชฤก์ณนะที่นั้นตรัสเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง ก็อะไรเล่าชื่อว่าปรากฏตามความเป็นจริงคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกมีจักขู่และรูปเป็นต้นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจะขูวิญญาณจะขูดสัมผสัสแม้เวทนาความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุดสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นดีแล้วสิ่งทั้งปวงยอมปรากฏตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงหลีกเล้นประกอบความเพียรเถิดเมื่อหลีกเล่นอยู่สิ่งทั้งปวงยอมปรากฏตามความเป็นจริงว่าด้วยส่งแสดงความไม่เที่ยง แก่พระมหากโกติตักท่านพระมหากโกติตักเข้าเฝ้ากราบทุนขอให้โปรดแสดงธรรมโดยย่อเพื่อหลีกออกไปปฏิบัติอยู่ผู้เดียวทรงถามว่าโกติตักสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละชันทะในสิ่งนั้นก็อาไดเล่าชื่อว่าไม่เที่ยงคืออายตนะภายใน มีจักขู่เป็นต้นนั้นไม่เทียงอยายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นนั้นไม่เทียงจักรุวิญญาณจักรุสัมผัสเวทนาที่เกิดจากจักรุสัมผัสเป็นต้นนั้นสิ่งทั้งปวงนั้นก็ไม่เทียงเธอพึงละชันทะในสิ่งทั้งปวงนั้นและโดยนัยยะเดียวกันสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์ เธอพึงละฉันทะในสิ่งนั้นสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในสิ่งนั้นว่าด้วยการละมิจฉาทิฏฐิภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามว่าบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดได้ทรงตอบว่า บุคคลเมื่อรู้เห็นจกักขู่โดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขู่วิญ ญ, ญาณจากักขู่สัมผัสและเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยนั้นโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ ว่าด้วยการละสักกายทิฏฐิบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขูโดยความเป็นทุกข์จึงละสักกายทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นรูปเมื่อรู้เห็นจักขูวิญญาณจักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงละสักกายทิฏฐิได้ ว่าด้วยการละตั ต, ตานุทิฏฐิบุคคลเมื่อรู้เห็นอายตนะภายในมีจักขู่เป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นโดยความเป็นอนัตตาเมื่อรู้เห็นจักขู่วิญญาณเป็นต้นนั้นโดยความเป็นอนัตตาเมื่อรู้เห็นจักขู่สัมผัสเป็นต้นนั้นโดยความเป็นอนัตตา เมื่อรู้เห็นเวทนาความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขูดสัมผัสเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยรู้เห็นโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตนุทิฏฐิได้สัทธิปยาละวรกหมดว่าด้วยพระสูตรย่อหกสิบสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะพึงละราคะพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นอายตนะภายในมีจักขู่เป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นทั้งที่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันและในอนาคต ล้วนไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละชันทาพึงละราคะพึงละชันทราคะในสิ่งทั้งปวงนั้นภิกษุทั้งหลายอายตนะภายในคือจักขู่เป็นต้นนั้นอายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นนั้นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนไม่เทียงสิ่งใดไม่เทียง สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอริยส า, าวกผู้ดได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายย่อมคลายกำนัดในจักขุ ในรูปเป็นต้นนั้นจิตย่อมหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสมุดทวักหมดว่าด้วยสมุดพระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าสมุด นั่นไม่ใช่สมุทในอริยวินัยนั่นเป็นแอ่งน้าใหญ่เป็นห่วงน้าใหญ่ภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นสมุทของบุรุษสมุทในที่นี้สะกดด้วยทศฐารรอเรือนะครับความหมายในที่นี้คืออายตนะที่ชื่อว่าสมุทเพราะให้เต็มได้ยากหรือเพราะเป็นที่ผุดขึ้นแห่งกิเลส จักขคูเป็นสมุดของบุรุษกำลังของจักขะคนั้นเกิดจากรูปบุรุษใดอดกลั่นกำลังอันเกิดจากรูปนั้นได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุดคือจักขุคซึ่งมีทั้งคลื่นคือความโกรธและความขับแค้นวังวนคือกามคุณห้าสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้าในที่นี้หมายถึงมาตุกขาม หรือผู้หญิงซึ่งเป็นภัยต่อภิกษุในการประพฤติปรมจันนะครับบูรุษผู้ข้ามสมุดคือจกักขุนั้นได้แล้วเราเรียกว่าบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกข้อนี้หมายถึงเข้าถึงพระนิพพานและโดยนัยยะเดียวกันสมุดคือโสตะขานะ ชิวหากายละมโนบุรุษใดข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากแต่ข้ามได้แล้วบุรุษนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์ถึงที่สุดแห่งโลกถึงฝั่งแล้วโลกในที่นี้คือสังขาราโลก โลกคือสังขารหรือสภาวะธรรมที่มีการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลายรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดมีอยู่นี้เรียกว่าสมุดในอริยวินัย โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกโปรมโลกมูสัตพร้อมทั้งสมณพ ร, รมเทวดาและมนุษย์ในสมุทรนี้โดยมากเป็นผู้เศร้าหมองยุ่งเหยิงประดุดได้ของช่างหูกเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้เป็นดุดยาปล้องและยามุงกระตายยอมไม่พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและสงสารคือการเวียนไหวาตายเกิดไปได้ และโดยในยะเดียวกันเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นพุทธภะที่พึงรู้แจ้งทางกายธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาหน้าใกล้หน้าพอใจชวนให้รักชัดให้ใกล้ผ่าใจให้กำหนัดมีอยู่นี้เรียกว่าสมุดในอริยวินัย สัตว์ทั้งหลายโดยมากเป็นผู้เศร้าหมองย่อมไม่พ้นจากอบายทุกติวินิบาตและสงสารไปได้บุคคลใดคลายราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่าข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากแต่ข้ามได้แล้ว เรากล่าวว่าบุคคลนั้นล่วงพ้นเครื่องข้องและมจัจจุไม่มีอุปธิละทุกเพื่อไม่เกิดอีกต่อไปถึงความดับไม่ถึงการนับหลวงมัจุราชให้หลงได้อุปมาด้วยพรานเบ็ดภิกษุทั้งหลายพรานเบ็ด ย่อนเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในห้วงน้ำลึกปลาตัวใดเห็นแก่เหยื่อกลืนกินเบ็ดนั้นปลาตัวนั้นชื่อว่ากลืนเบ็ดของนายพรานเบ็ดถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกพรานเบ็ดทาได้ตามใจปรารถนาแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเบ็ดหกชนิดนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ในโลก เพื่อความวิบัติของสัตว์ทั้งหลายเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ดหกชนิดอะไรบ้างคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นผลทพะที่พึงรู้แจ้งทางกายธัมมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใกล้ผ่าใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูปเป็นต้นนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามใจปรารถนา อุปมาด้วยต้นไม้มีอย่างภิกษุทั้งหลายราคาของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึง ร, ง, ง, ง, พงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้นนั้นมีอยู่โทสะโมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นนั้นมีอยู่ ราคะโทสะหรือโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณียังละไม่ได้ถ้าแม้รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นนั้นเพียงเล็กน้อยมาปรากฏทางตาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นก็ย่อมครอบงำจิตได้ไม่จําต้องกล่าวถึงรูปที่มากกว่านั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นยังละราคะโทสะและโมหะนั้นไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้มียางจะเป็นต้นโพต้นใสหรือต้นเมื่อเดือกก็ตามยังอ่อนใหม่ขนาดเล็กบุรุษใช้ขวานที่คมฟันต้นไม้นั้นตรงที่ใดๆยางจะพึงไหลออกได้ไหม ทูลตอบว่าได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอย่างนั้นมีอยู่พระพุทธเจ้าคาภิกษุทั้งหลายอุปมาณี้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นเหมือนกันราคะโทศโมหะของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นนั้นมีอยู่ ราคะโทสะโมหะนั้นภิกษุหรือภิกษุณีนั้นยังละไม่ได้ถ้าแม้รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเพียงเล็กน้อยมาปรากฏก็ยอมครอบงำจิตได้ไม่ต้องกล่าวถึงรูปที่มากกว่านั้นเลยและโดยนัยตรงกันข้ามราคะโทสะโมหะของภิกษุรูปใดในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นนั้น ไม่มีราคะโทสะโมหะนั้นภิกษุนั้นละได้แล้วถ้าแม้รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาซึ่งมากกว่ามาปรากฏก็ครอบงำจิตไม่ได้ไม่จําต้องกล่าวถึงรูปเพียงเล็กน้อยเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะโทสะโมหะนั้นไม่มีภิกษุหรือภิกษุณีนั้นละได้แล้ว ว่าด้วยพระมหากดิตตะท่านพระมหากดิตตะได้เรียนถามท่านพระสาวรีบุตรดังนี้ท่านสาวรีบุตรตาเกี่ยวข้องกับรูปรูปเกี่ยวข้องกับตาหูเกี่ยวข้องกับเสียงลิ้นเกี่ยวข้องกับรสรสเกี่ยวข้องกับลิ้นเป็นต้นนั้นใช่หรือไม่ท่านพระสาวรีบุตรตอบว่า ท่านกวดทิตาตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปก็ไม่เกี่ยวข้องกับตาแต่เพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นชันทราคะจึงเกิดขึ้นตาและรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องในชันทราคะนั้นและโดยในยะเดียวกันเสียงไม่เกี่ยวข้องกับหูหูไม่เกี่ยวข้องกับเสียง จมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสเป็นต้นนั้นแต่เพราะอาศัยอายตนะภายในและภายนอกทั้งสองนั้นชั้นธราคะจึงเกิดขึ้นลิ้นแล้วรสเป็นต้นนั้นจึงเกี่ยวข้องในชันธราคะนั้นเปรียบเหมือนโคดำกับโคขาวขาผูกติด ก, กันด้วยสายเร้าหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกัน ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคดำเกี่ยวเนื่องกับโคขาวโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนั้นถือว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ตอบว่าไม่ถูกต้องอุปมาณ้ฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่เกี่ยวข้องกับตาเป็นต้นนั้นแต่เพราะอาศัยตาแล้วรูปฉันทราคะจึงเกิดขึ้น แล้วรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องในสันธราคะนั้นฉะนั้นการประพฤติปรหมจันท ร, ร์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบจึงปรากฏผู้มีอายุพระเนตรของพระผู้มีพระภาคมีอยู่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปด้วยพระเนตรแต่ไม่ทรงมีสันธาราคะเลยทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว และโดยนัยยะเดียวกันประโสดของพระผู้มีพระภาคมีอยู่พระผู้มีพระภาคทรงฟังเสียงด้วยพระโสดแต่ไม่ทรงมีชันทราคะเลยทรงสูดกลิ่นด้วยพระนาสิกทรงถูกต้องปถะพระด้วยพระวรากายทรงรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยพระมณั์แต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลยทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วผู้มีอายุ ข้อนี้ก็พึงทราบโดยประการนี้ายตนะภายในคือตาเป็นต้นนั้นกับอายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นนั้นไม่เกี่ยวข้องกันแต่เพราะอาศัยทั้งสองนั้นฉันทราคาจึงเกิดขึ้นตาและรูปเป็นต้นนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคานั้น ว่าด้วยพระอุทายีท่านพระอุทายีได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่ากายนี้พระผู้มีพระภาฏรตรบอกเปิดเผยประกาศแล้วด้วยประการต่างๆ่าว่ากายนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ฉันใดแม้วิญญาณนี้ท่านอาจบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่าย ว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ฉันนั้นหรือไม่ท่านพระอานุ์ตอบว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ฉันนั้นเพราะอาศัยจากขู่แล้วรูปจะกขู่วิญญาณจึงเกิดใช่หรือไม่ตอบว่าใช่เหตุและปัจจัยเพื่อให้จากขูวิญญาณเกิดพึงดับทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวง จะขู่วิญญาณจะพึงปรากฏบ้างหรือไม่ตอบว่าไม่จะขู่วิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดวยประการแม้นี้ว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้และโดยนัยเดียวกันเพราะอาศัยลิ้นแล้วรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด เพราะเหตุปัจจัยให้ชิวหาวิญญาณเกิดพึงดับชิวหาวิญญาณจึงไม่พึงปรากฏเพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกที่คู่กันวิญญาณจึงเกิดเพราะเหตุปัจจัยของวิญญาณแต่ละประการ น, นั้นดับวิญญาณแต่ละประการ น, นั้นคือจะกขูวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณจะไม่พึงปรากฏ พระผู้มีพระภาคตรัส บ, บอกเปิดเผยประกาศแล้วโดวยประการแม้นี้ว่าวิญญาณ น, นี้เป็นอนัตตาแม้เพราะเหตุนี้ผู้มีอายุบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสแสวงหาแก่นไม้ถือขวานที่คมเข้าไปสูป่ป่าพบต้นกล้วยใหญ่พึงตัดโคนตัดปลายปอกกาบออก ไม่พบแม้กระผีที่ต้นกล้วยนั้นจะพบแก่นได้จากที่ไหนเล่าแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาในผัสสะยตนะหกประการท่านเมื่อไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่ดิ้นรน เมื่อไม่ดินรนก็ดับไปเฉพาะตนเองรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป